ข้างหลังได้ยินไหมข้างหลังได้ยินไหมอ่า อ, อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าธรรมยานตราขั้งที่16ก็จะสิ้นสุดลงและพวกเราก็จะแยกยาก้ายกลับบ้าน ที่รอคอยการกลับมาการกลับไปของพวกเราแ่ล <c oughs> ้วตามก็แม้ธรรมยาตาจะครั้งที่สิบหกจะสิ้นสุดแต่ก็อยากให้พวกเราได้นำธรรมยาตาติดตัวกลับไปด้วย อยาให้มันสิ้นสุดลงที่อุทยานตากโจนเท่านั้นให้ธรรมญาตราได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราให้กันมเมื่อเชองเราเป็นการสารต่อธรรมญาตราอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะ ธรรมยาตาิาครั้งที่สิบเจ็ดจะมีหรือไม่นะไม่สำคัญแต่ากัว่าพวกเราแต่ละคนแต่ละคนได้ใจชีวิตของเราเป็นการสานต่อธรรมยญาติาหรือเปล่ามีธรรมยาตาิตาครั้งที่สิบเจ็ดหรือว่ามีจะไปไปถึงครั้งที่หนึ่งร้อยนะแต่ถ้าเกิดว่า เมื่อสิ้นสุดแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะเมื่อสิ้นสุดธรรมญาตาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะไม่ได้นำธรรมญาตาไปเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตของเรา การแต่ธรรมยัตราก็มีความหมายน้อยมากนะการนำธรรมยัตราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรเรานะก็หมายถึงว่า <c oughs> เราได้นำเอาประสบการณ์บทเรียนต่างๆ ไปใช้กับการดำเนินชีวิตของเราและการทำงานเราลูกนึกถึงประสบการณ์ดีๆที่เราได้พบรวมทั้ง <c oughs> สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในระหว่างการ เดินธรรมยาตาเนี่ยโดยเฉพาะที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือปณิธานของธรรมยตราปณิธานธรรมยตราปีนี้เนี่ยก็คือพลิกฟื้นไทยให้ชุ่มเย็นเรา พวกเราก็มากันจากทุกสารทิศนะด้วยความปรารถนาที่จะทำให้ลำปางเช้ากลับมามีความชุ่มเย็นไม่ร้อนไม่แรงอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันลำปางเช้าก็เป็นส่วนของแผ่นดินไทยเท่านั้นนะ่ะ เมื่อเรากลับไปที่บ้านแล้วก็หวังว่าพวกเราน่าจะได้ช่วยกันพลิกพื้นไายให้ชุ่มเย็นจริงๆจะสำเร็จหรือไม่นะก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ขอให้ตั้งใจทำอย่างที่พู ด, ด้เมื่อวานนะว่าความเพียรเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าความสำเร็จด้วยซ้ำ เริ่มต้นที่ตัวเราไม่ใช่เริ่มต้นที่ใครอื่นเริ่มต้นที่บ้านของเราแผ่นดินชุมชนของเราถ้ามันมีจุดเริ่มต้นจากจุดที่ใกล้ตัวที่สุดนะมันก็มีโอกาสที่จะแผ่ขยายไปสู่วงกว้างขึ้นเรื่อย แต่ถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่เราก็มาช่วยนะเป็นส่วนหนึ่งของการปลกสำนึกผู้คนให้ตื่นตัวต้องเห็งว่าล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเรากลับไปที่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืององเงยขึ้นมาจากตัวเรา อันนี้ก็แสดงว่าธรรมยตราก็คงจะไร้ประโยชน์พวกเราคงรู้จักแอมสาวลักษ์นะเขาเคยไล่ฟังว่าวันหนึ่งได้เจอเพื่อนเพื่อนสาวเนี่ยเธอเพิ่งกลับมาจากการไปปลูกป่านะที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ เธอมีความสุขมากแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวการไปปลูกป่านะด้วยความกระตือรือร้นนะแล้วก็พูดนะว่าคุณประโยชน์งการปลูกป่านี่มีอะไรบ้างช่วยลดกา๊าซเรือนกระจกต้นไม้ช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดพวกร้อนช่วยทำให้พื้นดินชุ่มเย็นนะเรียกฝนกลับมาจะพูดถึง ดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธนะ์เนี่ยที่ปลูกปา่าปลูกต้นไม้ตอนนี้เป็นดาบตำรวจอยู่นะตอนนี้ก็เป็นร้อยตํารวจแล้วแต่ก็เสียณไปได้สิบปีแล้วก็พูดด้วยความสุขด้วยความยินดีด้วยความเรียกว่ากระชุ่มก็ช่วยมากแอมได้ยินก็เธอก็ปลื้มไปด้วยแล้วก็เลยถามขึ้นมาว่าเนี่ยโอ้ที่บ้านเธอนี่คงจะร่วมรื้อในต้นไม้นะ พอพูดตอนนี้เพื่อนเียวก็ชงนักแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อที่ทีแล้วพึ่งโค่นต้นไม้ น, ะน่าบาดไ้ต้นไม้มันติดมันอยู่ในบ้านนะมันทิ้งใบเยอะมากเลยนะขี้เกียจกวาดนะแถมกิ่งไม้นี่ก็ตกกระทบหลังคาก็เลยโค่นซะเลยนะตัดซะแล้ว อันนี้น่าคิดนะไปปลูกป่าที่พ่างเหนืออะไรว่าตัดต้นไม้ในบ้านเนี่ยอันนี้แสงว่ามันมันมันไม่กลมกลื่อนกลนแต่ที่จริงหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะก็คือว่ากระตือือร้นสนใจในการที่จะช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนอกบ้านนะแต่ว่าในบ้านกลับไม่สนใจ รักต้นไม้นะโทวโลกเลยนะยุบเป็นต้นไม้ในบ้านตัวเองมันก็คงคือค่ากับที่เรารักผู้คนมากมายแต่ว่าระอาคนในบ้านหรือคนที่อยู่ใกล้การเรียกร้องให้คนปลูกป่ากันเยอะแต่ว่าผู้คนไม่มีจิตสำนึกในการที่จะ เริ่มต้นที่บ้านของตัวจากจุดที่ตัวเองอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมันก็เท่ากับว่ายากที่จะคื้นสีเขียวให้กับโลกได้ผลิตฟื้นใา้เขียวให้ชุ่มเย็นก็เหมือนกันนะมันต้องเริ่มต้นกันนะที่ตัวเราอยู่ที่นี่เราก็ หลายคนก็ตั้งใจมากในการที่จะอนุรักษ์น้ำก็ขอให้เราได้กลับไปทำสิ่งนี้ที่บ้านของเราที่หน่วยงานของเราชุมชนของเราไม่ใช่แค่น้ำเท่านั้นนะไฟไฟฟ้าพลังงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆอีกมากมาย แต่นอกจากปฏิทานของธรรมยาตราในเรื่องการอลพืชไทยให้ชุมเย็นหรือว่าการทำให้ธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยได้กลับมาม่จะมีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นการสารต่อธรรมยราที่จริงที่อาจาว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ได้ได้ทำได้เรียนรู้มาในระหว่างที่เดินธรรมยราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งเดียวกันที่เราควรจะนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตชีวิตคือการเดินทาง เราจึงเรียกเรืงใช้คําว่าดําเนินชีวิตนะดําเนินแปลว่าเดินนะใช้การเดินทางการเดินธรรมญาตาครั้งนี้สําเร็จได้เราทําให้สําเร็จได้อย่างไรเราก็สามารถจะทําให้การดําเนินชีวของเราเนี่ยมันสําเร็จได้เช่นเดียวกันธรรมญาตาครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายเนะส้นทางที่ยาวไกลแดดที่ร้อนนะ อากาศที่ไม่เป็นใจต้องเจอทั้งความร้อนความหิวความปวดความเมื่อยแต่ว่าเราก็ฟันฝ่ามาจนสำเร็จทั้งนี้เป็นเพราะหนึ่งเรามีจุดหมายร่วมกันเรามีจุดหมายที่เด่นชัดถ้าเราไม่มีจุดหมายก็ไม่รู้จะเดินไปทำไม ในช่อเราก็เหมือนกันควรจะมีจุดหมายและจุดหมายนี้ก็ควรจะเป็นจุดหมายที่ดีงามไม่ใช่เพียงแค่การหาประโยชน์ใส่ตัวเท่านั้นนี่จุดหมายถ้าเป็นจุดหมายที่มันเป็นนี่จุดหมายที่สูงส่งวิ่งให้ชิงเราเนี่มีความหมายมากขึ้น แต่ลำพังการมีจุดหมายที่ดีงามนี่มันยังไม่พอนะเพราะว่าจุดหมายที่ดีงามที่กระเสริฐมันเป็นจุดหมายที่ยากเข้าถึงได้ยากเพราะมันเป็นการทวนกระแสทวนกระแสกิเลสตัวเองทวนกระแสสังคม ใหความเพียรมีสิ่งสำคัญแต่ว่าความเพียรอย่างเดียวก็คงไม่พอธรรมยาตราในครั้งนี้เนี่ยนะเราก็เด้นอยู่เสมอนะว่าจุดหมายแม้จะอยู่ไกล จขอให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันอันนี้จะว่ามันเป็นเทคนิคก็ได้นะมันเป็นศิลปะ ก, ก็ได้ที่ช่วยทําให้เราสามารถจะไปถึงจุดหมายได้โดยไม่ท้อโดยไม่ถอยกลางทางหลายคนเนี่ยพอมีจุดหมายที่ดีงามแล้วก็หเรียกว่าจุดหมายที่สูงส่ง แต่พอทาไปทําไปสักพักก็ท้อเพราะรสึกมันยากแต่ความยากไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับว่าใจที่วางไว้ไม่ถูกเรามีจุดหมายก็จริงแต่เวลาเราลงมือเดินการอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละที่จะทำให้เราถึงจุดหมายได้ใจเป็นสิ่งสำคัญมาก เส้นทางมันจะยาวไกลแค่ไหนถ้าเราให้ความสำคัญกับปัจจุบันสนใจกับก้าวแต่ละก้าวที่เดินลืมจุดหมายปลายทางเอาไว้ก่อนถ้าหากว่าทางที่เราไปเนี่ยมันถูกทางถ้าเดินไม่หยุดมันก็ถึงแน่และการเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยมันจะ ช, ช่วยทำให้ใจเราโปร่งโล่งด้วย เพราะว่าเราไม่ได้แบกไม่ได้ยึดเอาจุดหมายปลายทางไว้ในใจการแบกการยึดมันหนักนะมันทำให้ทาให้เหนื่อยง่ายทำให้เครียดถึงเวลาลงมือเดินถึงเวลาเดินทาง <c oughs> ก็อย่าไปจดจ่อกับจุดหมายปลายทางมากไม่ทำให้รีบทำให้รนทำให้เครียด อยู่กับการเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวมันเป็นการพักในตัวทำให้เรามีเรื่องมีแรงที่จะเดินต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางบางทรางก็จำเป็นต้องพักบ้างก็อย่าไปมอว่าการพักนี่มันเป็นตัวทวงเวลามันเป็นส่วนของการเดินทาง พักกลางทางปล่อยวางซื้อบางเพื่อทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงที่จะเดินต่อไปและในรหลัางที่เดินแนมะ้ว่าเราจะประสบกับอุปสรรคมากมายเจอความทุกข์หลากหลายแต่ก็อย่าลืมนะหาความสุขในระหว่างทางให้เจอ เ่เราเดินเนี่ยถ้าเรามองก้มแต่ทางบางทีใจก็เหี่ยวบางทีใจก็แห้งหรือบางทีก็แข็งกระด้างเหมือนกับหินที่โรยตามเส้นทางโดยเฉพาะตอนบ่ายบายนี่ทางเป็นสีแดงใจเราก็เลยแห้งไปด้วยบางทีเราเงยมองขึ้นฟ้าบ้างความรู้สึกมันจะตรงกข้ามเลย เห็นเมกเห็นฟ้าสีครามมันก็จะเป็นการชุกชูใจเรานี่ให้มีกำลังมีความหวังที่จะเดินต่อไปมันอยู่ที่มุมมองีินะระหว่างที่เราเดินเนี่ยไม่ใช่เดียวการดำเนินชีวิตถ้าเรามองไม่เป็นนมันก็เห็นแต่ทุกข์ ถ้าเราวางใจไม่เป็นมันก็แต่เอาแต่เก็บรับสะสมอารมณ์ที่เป็นอกุศลความหงุดหงิดความขุนเคืองไม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีกทหรือว่าลำคาญคนที่ขัดขวางเป็นอุปสรรคการเดินต้องหาทางนะพาจิตให้ออกจากให้หลุดออกจากอารมณ์เหล่านี้ปิกั้นแม่ให้มันเข้ามาครอบงำใจ ดูดีกันก็เปิดใจรับสิ่งดีๆที่มีให้เห็นตลอดทางแลในท่ามกลางความยากลาบากความความทุกข์นี่มันก็มีความสุขที่จะที่หลอกการเก็บเกี่ยวจากเราครูเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบบางทีสุขมันก็อยู่ในความทุกข์นั่นแหละเหมือนกับ สิ่งดีๆบางทีมันก็อยู่แฝงอยู่ในสิ่งที่ดูน่ากลัวเคยเปรียบเทียบอาไว้นะว่าไอ้ความยากลาบากเนี่ยก็ไม่ต่างจากเปลือกทุเรียนนะนะเปลือกทุเรียนนี่มันแหลมมันคมถูกต้องแล้วก็เจ็บบางทีก็เป็นแผลแต่ว่าในทุเรียนนั้นเนี่ยมันก็มี มีเนื้อที่หวานอร่อยซุกซ่อนอยู่เจอน้มทุเรียนก็อย่าไปทิ้งทุเรียนซะให้รู้จกักเฉาะให้รู้จกักปอกเปลือออกแล้วก็จะเจอของดีหลวงพ่อมเขียนน้ำพูดอยู่เสมอนะว่าในทุกมีความไม่ทุกในทุกมีความไม่ทุก ในทุเรียนที่แหลมคมนะมันก็มีเนื้อที่อร่อยเพราะนั้นเนี่ยในคำนองเดียวกันนะเมื่อเราประสบกับความยากลำบากเนี่ยก็อย่าอย่ามองเห็นแต่สิ่งนั้นนะมันมีสิ่งดีๆมันมีความสุขที่จะให้เราเก็บเกี่ยวได้อยู่เปิดใจรับรู้สิ่งนั้น ชีวิตเนี่ยมันจะมีความหมายเพียงแดมอยู่ที่การการให้ความหมายของเราแล้วกันให้ความหมายส่วนหนึ่งก็อยู่ที่มุมมองด้วยพวกเราคงรู้จักซิโ ก, โก้นะกิติศักดิ์เสนามเมืองก่อนที่เขาจะเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยนะที่นำพาอา่ชัยชนะนะมา สู่ประเทศชาติเนี่ยหลายครั้งหลายคราเนี่ยเขาก็เคยเป็น <c oughs> นักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์เป็นกัปตันทีมชาติแล้วก็เคยไปค้าแข้งในหลายประเทศที่อยู่ที่เป็นเพื่อนบ้าน <c oughs> แล้วต่อมาเขาก็ได้รับได้เซนสัญญาไปค้าแข้งที่อังกฤษมันเป็นข่าวใหญ่มากเมื่อสิบสี่ปีที่แล้ว คนไทยก็รอที่จะได้เห็นซิกโก้ลงสนามในประเทศอังกฤษและนี่ก็เป็นความฝันสูงสุดของซิกโก้ในชนะบนักกีฬาสวมเสือ้อสโมสร อ, อังกฤษนะแต่ว่าจนแล้วจนเล่าเนี่ยเดือนแล้วเดือนเล่าเขาก็ไม่เคยได้ลงสนามเลยได้แต่นั่งอยู่ ดิ่มสนามในฐานะตัวสำรองทุเาเรียนมากก็ทุกมากแล้วก็รู้สึกอาการแปลงผิดขานาะเนี่ยล้มเหลวล้มเหลวสิ้นเชิงเลยนะพูดถึงเหตุการณ์นั้นเขาก็สึกแย่แต่ผ่านไปหลายปีเนี่ยเมื่อมีคนถามเขาถึงเหตุการณ์นั้นอีกเขายิ้มนะแล้วก็บอกว่า มันไม่มีอะไรเลยเองแต่ผมมองไม่เห็นมองไม่ออกเองแต่ก็บอกว่าเนี่ยการไปอังกฤษครั้งนั้นมันมีแต่ได้กับได้ได้รถได้บ้านได้ภาษาได้พัฒนาทักษะได้เดินทางได้พบคนมากมายได้เห็นมุมมองต่างๆที่หลากหลายและได้สัมผัสกับหลีกฟุตบอลที่มีสีสารมานที่สุดเสียงเดียวคือ ไม่ได้ลงเล่นแต่ตอนนั้นเขามองไม่เห็นนะ <c oughs> เขาถึงทุกข์นะ <c oughs> เขาเห็นแต่ว่าฉันไม่ได้เล่นฉันไม่ได้เล่น <c oughs> เขาไม่มองเห็นว่าเขาได้กตต้องยื้แยะเ <c oughs> ขาได้แต่เขามองไม่เห็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการถ้าเรามองลบเนี่ยเราก็จะเห็นแต่เสีย เรามองไม่เห็นว่าเราได้อะไรตองเดินกันเนี่ยเดินธรรมิกตาเนี่ยถ้าเรามองไม่เป็นเราก็จะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่ทุกข์แต่ถ้าเรามองเป็นเราก็เห็นสุขนะเราก็พบสุขในระหว่างที่เจอความยากลำบากธรตมาวันนี้เป็นศิลปะสำคัญอย่างหนึ่งนะในการดาเนินชีวิตนะก็คือ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคเพียงใดจะเจอทุกเพียงใดก็ก็สามารถเก็บเกี่ยวความสุขได้คนที่สูญเสียคนที่พักพราคนที่เจ็บป่วยเนี่ยแล้วยิ้มได้และมีความสุขนี้มีเยอะนะคนที่ป่วยมะเร็งเขาก็บอกว่าเนี่ยโชคดีที่เป็นมะเร็งขอบคุณที่เป็นมะเร็งได้พะความสุขในขณะที่ป่วยหนักใกล้ตาย อันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญานะที่อย่างที่ผู้เจ้าตรัสนะแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบพบสุขที่ไหนพบสุขที่ใจแม้ว่ากายจะลำบากแม้ว่ากายจะเป็นทุกข์นะหรือแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากแล้วความสุขนี่มันรอการก็พบจากเราอตลอดเวลามันอยู่ที่ปัจจุบันนะบางคนเนี่ยไปรอความสุขข้างหน้า หวังความสุขข้างหน้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่ทุกขณะที่ก้าวเดินทุกขณะทุกวินาทีของการของชีวิตเรา <c oughs> และในการเดินทางเนี่ยเราจะเราจะพบกับสุขได้ดีเนี่ยก็ต่อเมื่อเรา ไม่กลัวอุปสรรคสำนึกรู้อยู่เสมอว่ามันมีอุปสรรคข้างหน้าอย่างที่เราชาพุทเนี่ยเราตลาดอยู่เสมอว่ามันมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าเราเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์อยู่เบื้องหน้าเราแต่ก็ไม่กลัว เพราะว่าเราเตรียมพร้อมเพราะเรารู้ว่าทุกเนี่ยถ้าเราวางใจถูกวางใจเป็นก็สามารถจะพบสุขหรือว่าไม่ทุกนั้นก็ไม่สามารถทําให้เราเนี่ยทุกใจได้ทุกแต่กายแต่ใจไม่ทุก หลายคนเนี่ยนะพอรู้ว่าข้างหน้าจะมีข้างหน้ามีความทุกข์เนี่ยก็เกิดความกลัวพยายามหีกหนีทุกพยายามหนีพยายามที่ห่างไกลความทุกข์ให้มากที่สุดเจออะไรที่เสี่ยงก็จะพยายามหนีโดยหารู้ไหมว่าชีวิตที่หนีความเสี่ยงตลอดเวลานี้คือชีวิตที่เสี่ยงมาก เป็นชีวิตที่อันตรายมากตอนที่เดินอยู่นี่ก็เดินธรรมยตามีช่วงหนึ่งก็ผ่านโค้งโค้งหนึ่งมีป้ายเขียน ว, ว่าโค้งอันตรายพวกเราจาได้มะ <c oughs> ก็มีเพื่อนพาก็ า, าพูดขึ้นมาก็ทำให้ตามานึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งชายผู้หนึ่งก็ไปเยี่ยมเพื่อนที่บาดเจ็บ เขประสบติเหตุรถยนคนที่เยี่ยมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเขบอกว่าเนี่ยขับรถอยู่ด้วยความเร็วเนี่ยไปเจอโคง้งเห็นป้ายเียว่าโค้งอันตรายอะไรยังไงฉันก็เลยพุ่งตรงไปเลยเพราะว่าถ้าโคง้งอันตรายเนี่ยนะคือเขากลัวอันตรายเนี่ยเขาก็เลยหนีอันตรายคือไม่ไม่โค้งอะ่ะพุ่งตรงไปเลย ยิ่งอันตรายกว่านะโค้งอันตรายนี่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกต้องการบอกว่าเมื่ออันตรายต้องระวังอย่าประมาทโค้งอันตรายเนี่ย mm hmm. นะเขาเตือนให้เราเนี่ยไม่ประมาทความเสี่ยงนี้อยู่แต่ถ้าเราไม่ประมาทเราก็ปลอดภัยแต่คนบางคนพอเจออันตรายข้างหน้าอ่ะที่โคงนะ้งนั้นกลัวหนีโค้งหนีโค้งดีกว่าหนีโค้งก็ตายนะ อันตรายนี่มันทิ้งหนีไม่ได้นะอันตรายเนี่ยสิ่งที่ต้องสิ่งที่เราควรทาคือว่าไม่ประมาทมีสติแล้วเราก็จะปลอดภัยอย่าหนีมันถ้าห น, นีนี่อันตรายยิ่งกว่าเวลาเราเจอความเสี่ยงเนี่ยนะให้เราตั้งสติให้ดีแล้วก็เข้าหามันอย่างไม่ประมาทไม่ใช่หนีมันเพราะถ้าห น, นีมันเสี่ยงยิ่งกว่านะ บางคนเลี้ยงลูกมาเพื่อไม่ให้เจออุปสรรคไม่ให้เจออันตรายอะไรเลยเนี่ยเขากาลังลูกเขากำลังพาลุงเขานี่ให้ไปเจอกับชีวิตที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดสิ่งที่เป็นความเสี่ยงอันตรายเนี่ยถ้าเรารับมือกับมันได้ถูกคือไม่หนีมันแต่เผชิญกับมันไม่กลัวมันแต่มีสติไม่ประมาทแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอมันก็ปลอดภัย ไอ้ความทุกข์ที่ลอยอยู่ข้างหน้าก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความจเจ็บความปวดหรือแม้กระทั่งความตายก็อันตรายทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าถ้าเราไม่กลัวมันไม่ตื่นตระหนกกับมันตั้งสติให้ดีแล้วก็กล้เาเข้าหามันแล้วถ้าเรานอกจากไม่วิธีหนึ่งที่ช่วยทําให้เราไม่กลัวคือยอมรับมันยอมรับว่านี่คือสิ่งเราต้องเผชิญ เมื่อวานเนี่ยอาจารย์ประมวลก็ได้พูดถึงว่าเนี่ยพูดถึงการไปอินเดียแล้วก็ได้ตั้งปฏิธานว่าจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียจะรับทุกอย่างที่ประสบในระหว่างที่อยู่อินเดียไม่ปฏิเสธหลายคนเนี่ยไปอินเดียแล้วกลัวมากเลยแล้วมีความทุกข์นะเพระว่าไปความทุกข์ส่วนนึงเกิดจากการที่ปฏิเสธใจมันปฏิเสธสิ่งที่ได้เจอที่อินเดีย แต่ว่ะอาจารย์ประมวลเนี่ยนะได้ตั้งบณิธาว่าเนี่ยจะยอมรับทุกอย่างที่ประสบในอินเดียถือว่าสิ่งที่ประสบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เทพเจ้าประทานให้ต้องการมีความสุขมากนะีมีความสุขแล้วก็ได้ได้พบกับความประทับใจหลายอย่างซึ่งเมื่อวานท่านก็เราได้ฟังไล่ฟังส่วนหนึ่งนะแต่ที่เขียนนะจะมีมากกว่านะที่ท่านเขียนในหนังสือ การยอมรับมันไม่ปฏิเสธไม่ผักใสนจะทําให้เราเนี่ยไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์กับมันเมื่อเราเจ็บป่วยเรายอมรับว่าเออมันเป็นธรรมดาเราไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายนความทุกข์ใจก็จะลดลงมันก็เลยแต่ความทุกข์กายที่ต้องเยียวยาต้องรักษา การทำใจนะการวางใจให้ถูกนะไม่หนีไม่กลัวเตรียมพร้อมนะที่จ ะ, ะเผชิญกับมันและเมื่อเกิดขึ้นก็ยอมรับมันแล้วก็ตั้งสติใช้ปัญญาไม่ไม่ใช่สิียงแต่ช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ดีๆ แต่ยังสามารถใช้ปัญญาเพื่อเก็บเกี่ยวบทเรียนสำคัญจากสิ่งนั้นได้ <Yeah. S 1> อย่างที่ได้พูดไ้หลายครั้งว่าเวลาเราทุกเราจะทุกฟรีนะนอกจากเราจะรักษาใจไม่ให้ทุกเรายังสามารถจะได้กําไรหรือได้บทเรียนจากทุกนั้นด้วยทั <Yeah. S 1> ย้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นแค่ความคิดนะ แต่ว่ามันจะมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าว่าเราไม่ฝึกฝนอยู่เสมอแค่คิดเอาเนี่ยว่าเออถ้าเจอแล้วเราจะปล่อยวางนะถ้าเจอแล้วเราจะทำใจนะคิดแบบนี้เนี่ยก็ก็เตรียมตัว ผิดหวังได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องคิดเอาแต่มัน เ, เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอต้องฝึกอยู่เสมอาการปฏิบัติเนี่ยหรือการฝึกเนี่ยช่วยทําให้เราพร้อมแล้วเราจะฝึกจากอะไรก็ฝึกจากของจริงให้เวลาเราเจอเวลาเวลาเรา เราเจอความทุกในการทำงานเจอประศักค์ในในชีวิตเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นการบ้านนะที่มาฝึกเราในเรื่องการวางใจอย่างที่ว่ามาเพราะว่าทุกที่หนักหนาทุกที่ยิ่งใหญ่มันรอเราอยู่โดยเพพาะทุกที่ชื่อว่าความตายเทุกคนต้องตายทั้งนั้นน่ะการฝึกเนี่ย เราต้องฝึกจากของจริงจากประสบการณ์จากความทุกข์จากความสูญเสียเล็กๆน้อยๆหรือป่านกลางก็แล้วแต่ให้ถือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคือการบ้านที่มาฝึกเราและถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นบางทีเราก็ต้องไปหาไปหามันนะธรรมยาตาเนี่ยนะมันเป็นการเดินหน้าเข้าหาทุกข์ไม่ใช่เพื่อทรมานตนเองนะแต่เพื่อจะได้ฝึกปรือนะ สิ่งที่เราได้เจอระหว่างธรรมยตาจริงๆแล้วมันเป็นแค่การฝึกปลือหรือการบ้านเพื่อทำให้เรามีความเชี่ยวชาญชำนาญในการใช้จิตใช้ใจของเราเนี่ยเพื่อรับมือกับความทุกข์ผ่านพ้อนอุปสรรคต่างๆ ดนั้นถ้าเกิดเราเราเจอความสูญเสียเจอความพลาดพลาเจอความเจ็บความปวดถือว่ามันก็เป็นการบ้านเจอคนทำหนีดติดเตียนต่อว่าดาทอลองนึกว่ามันเป็นการบ้านฝึกเราให้วางใจหรือถ้าไม่มีก็ต้องไปหามานะการที่เราไปเจอกับประสบการณ์ยา ก, ยากลำบากแบบนี้บ้างมันก็เป็นการช่วย ฝึกทักษะของเราจะทำอย่างนี้ได้ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะประมาทว่าเนี่ยเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าเราเรามีความพัดพลาดสูญเสียที่จะต้องประสบและลูกอยู่เสมอนะในความจริงที่พระท่านเรียกว่าอภินันปัจโวเบทดสวดบทเราจะสวดกันอยู่บ่อยๆในในวัด มีห้าข้อนะแต่สข้อแรกนี่เป็นความจริงที่เราหนีไม่พ้นเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลดพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดพ้นความเจ็บแข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดพ้นความตายไปไม่ได้เราจะพ้พากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นสี่ข้อเยอะลึกนึถึงเสมอแล้วก็ถามใจเราว่าเออเราพร้อมแค่ไหน เทียไปชนกับความแก่ความเจ็บความพัฒพรากและความตายทาไม่พร้อมก็ต้องฝึกจากี่ยประสบการณ์ต่างๆที่เป็นความทุกข์ประศักขทั้งหลายไอ้ที่เราสอนเมื่อสักครู่เนี่ยนะประจิมโอวานสําคัญมากเลยเป็นมรดกที่พระเจ้าได้ประทานให้กับชาวพุทธทั้งหลายหรือพระสาวกหรือสาวกทั้งหลายก่อนที่จะปริบัติาน สังทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจนทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายตรงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะเมื่อกีพูดว่าเราทุกคนควรมีจุดหมายนะแต่บางทีจุดหมายกับปลายทางไม่เหมือนกันนะจุดหมายเราอาจจะหมายถึงการพ้นทุกข์อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนสังคมให้ดีหมายถึงการมีชีวิตที่ดีงามแต่ว่าปลายทางของเราเนี่ยถึงที่สุดแล้วคือความตาย จุดหมายกับปลายทางบางทีมันคนละอันกันนะจุดหมายนี่สูงส่งมาแต่ปลายทางนี่ดูมันดูมันน่าขดูแต่จริงไม่น่าขดผูหรอกมันเป็นความจริงแ้าความจริงอันนี้ก็สอนทำเราได้เยอะถ้าเราเตรียมตัว <c oughs> ก็อยากจะฝากเอาไว้นะว่าให้เราเนี่ได้ช่วยกันสานต่อธรรมญาตรา ไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อประโยชน์ของเราเองหรือผู้ อ, อย่างนีุคือว่าให้การดำเนินชีวิตเราเป็นธรรมญาตราธรรมญาตามันไม่ได้มีแค่แปดวันแต่ว่าธรรมญาติราคุณจะเป็นทั้งชีวิตให้การดำเนินชีวิตเราเป็นธรรมญาตราก็คือเป็นการเดินบนบนหนทางธรรมเป็นการเดินเพื่อธรรมเป็นการดําเนินชีวิตนะในธรรม เพื่อทาและด้วยทามันก็จะทําให้ชืวิตเราเนี่ยเป็นก็จะเจริญงอกงามและสามารถจะเกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างที่ท่านอาจารย์กุฏาจะาสอนกันเนี่ยชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เ<ม>อไว้เราการดำเนินชีวิเราเป็นเป็นธรรมญาตตราที่ได้พบกับความสงบเย็น บนเส้นทางแล้วก็เป็นประโยชน์อยูอ่อย่างกว้างขวางแล้วก็เชื่อว่าแล้วก็อย่าลืมว่าการยานตนิมิตสำคัญมากนะที่เราทำสิ่งที่ยากได้มาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ากลรยานตนิมิตได้ช่วยเหลือกันเมอถึงเวลาเราดำเนินชีวิตเราก็ดำเนินชีวิตคนเดียวแต่ว่า การยน์มิดในระหว่างทางหรือว่าปรอบตัวเราก็าสำคัญนะหาการยนมิตให้ให้ได้แล้วก็อาศัยน้ำใจของการยนตมิตเนี่ยเพื่อช่วยให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายและเมื่อต้องมาถึงปลายทางเราก็สงบเย็นได้นะ ไม่ทุกประทมไม่กระสับกระส่ายก็เรียกว่าถ้าเราใช้ชีวงไรเป็นธรรมญาตราเนี่ยมันก็จะเป็นการที่อยู่ดีและถึงเวลาที่มาถึงปลายทางก็จะตายดีเช่นกันแล้วก็คราวนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้ครับ